เดสังกิลิเททุกขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วเป็นอันหวังได้ว่าต้องไปสู่ทุกขติเมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้ความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผล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 เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางรัต ด, ดากัดในล้อมครอบครัวนี้ใครๆก็รู้ถึงนิสัยที่ชั่วทั้งคู่อทั้งผัวทั้งเมียเมียก็ขี้งกเห็นแก่ได้ขายของก็กวงตาช่างจนชาวบ้านก็จับได้หลายคนตอนหลังนี้ผลไม้ที่ร้านนางรัต ด, ดาก็เริ่มขายไม่ดีจะขายได้เฉพาะขาจร แกตั้งแผงขายหน้าบ้านเพราะว่าคนในหมู่บ้านผ่านไปมาทั้งวันตรงข้ามกันก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแวที่เป็นกาแวโบราณมีน้ำเขียวน้ำแดงมีชาดําชานมแต่ไม่มีชาไข่มุกแบบสมัยนี้เมื่อขายผลไม้ขาดทุนก็ต้องเลิกขายในล้อมผู้ผัวก็เลยต้องหันมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแทนนา่งรัดดากแรแล่หมูจนบางเชียบ ขายไม้ระบาดในสมัยนั้นข้าวเหนียวก็ห่อระบาดข้าวเหนียวนี่ในล้อมไปแอบขโมยมาจากยุ้งข้าวที่บ้านลุงรอดอเอามาตุนไว้สี่กระสอบตัวลุงรอดเองนี่แกมีนาหลายไร่ขายบ้างเก็บไว้กินบ้างมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมในล้อมนี่แอบไปกลางดึกเอาไปย่างคลุกยาเบื่อให้หมาบ้านลุงรอดกินจนตาย เสร็จแล้วก็เข้าไปตัดโซ่ที่คล้องกุญแจประตูอย่างใจเย็นแล้วก็แบกข้าวไปใส่รถกระบะที่จอดอยู่ห่างจากบ้านลุงรอดไม่มากนะักช่วยกันสองคนกับเมียมีข้าวใส่กระสอบไว้สองกองในล้อมกับเมียก็ช่วยกันลําเลียงใส่รถนะกองละสี่ห้ากระสอบพอได้ข้าวมาแล้วนางรัดดาก็ดีใจโหพี่นี่คงจะเป็นข้าวหอมมะลินะ แล้วนี่ก็ต้องข้าวเหนียวตั้งสี่กระสอบเราน่าจะเอามาอีกเที่ยวนะเสียดายขนมาเที่ยวเดียวก็เลยได้มาเก้ากระสอบแค่นั้นเน่ะโอ้ยได้มาแค่นี้ก็พอแล้วรีบหาที่ซ่อนเถอะทั้งคู่ก็เอาไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของทางด้านลุงรอดเช้าเห็นหมาตายก็รู้ว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีพอเดินมาดูที่ยุ้งข้าวก็เห็นว่าประตูเปิดโซ่เส้นไม่ใหญ่นะักก็ถูกตัดด้วยคีมตัดเหล็กหรืออะไรสัก อ, อย่าง แต่คงไม่ใช่เลื่อยะเพราะไม่ได้ยินเสียงข้าวนะหายไปครึ่งหนึ่งลุงรอดไปแจ้งความแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นฝีมือใครเพราะว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนก็เลยจับคนร้ายไม่ได้ประกอบกับบ้านลุงรอดอยู่ติดกับนาห่างจากบ้านคนอื่นลูกเต่าแกก็มียาวมีเรือนแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วลุงรอดก็เลยอยู่กับเมียสองคน เมื่อนางรัดดากับในล้อมขายหมูปิ้งก็ขายไม่ดีเพราะว่าหมูนี่มันไม้เล็กมากจนเพื่อนบ้านพูดกันว่านี่รัดดาแต่เอ็งคิดจะขายหมูก็ให้มันชิ้นใหญ่กว่า น, นี้หน่อยถ้าแกอยากจะได้กำไรเยอะแบบเนี้ยมันไม่มีใครซื้อหรอกนะเพื่อนบ้านเขาบอกอย่างนั้นไม่ซื้อก็อย่าซื้อหมูแพงจะตายไม้ระบาดเดียวจะเอาเยอะแค่ไหนวะตกลงขายไม่ได้ก็ต้องเลิก ทั้งคู่ก็กระลุ่มว่าะจะทำมาหากินอะไรยังดีที่ไม่มีลูกรถก็ไม่มีใครมาเหมาไปไหนเพราะว่าในล้อมคิดราคาแพงเกินไปยังดีที่ไม่มีลูกถ้ามีก็คงจะแย่กว่า น, นี้ทั้งสองผัวเมียก็เลยเอาข้าวที่ขโมยมาไปขายส่งให้ร้านข้าวสารในราคาถูกเก็บข้าวหอมไว้กินกระสอบนึงก็พอจะได้เงินมาใช้จ่ายทั้งคู่ก็เลยไปแอบตัดกล้วยบ้านอื่นอีกเอามาทอดขาย ก็พอขายได้คนที่ถูกขโมยกล้วยนี่อยู่ห่างบ้านนางรัต ด, ดาอ่าก็จับไม่ได้ว่าใครแอบตัดกล้วยไปหลายเครือก็ยังคงมาซื้อกล้วยทอดของนางรัต ด, ดากินสองผัวเมียก่อหัวเราะ <c oughs> มันน่างโง่จริงๆกล้วยบ้านตัวเองแท้ๆยังจะต้องมาซื้อกินอยู่ต่อมาน้องสาวของนางรัต ด, ดาชื่อพักกาหอบลูกไว้แปดเดือนมาหา บอกว่าเลิกกับผัวแล้วผัวเอาเมียใหม่มาอยู่ในบ้านแล้วก็ไล่ตัวออกจากบ้านพะกาไม่มีที่ไปพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วบ้านที่นางรัดดาอยู่ก็เป็นบ้านที่พ่อแม่เคยอยู่ก็เลยมาอาศัยอยู่ด้วยบอกว่าพอให้ลูกโตหน่อยก็จะออกไปหารับจ้างนางรัดดานไม่พอใจโห้ยอีงโง่มึงยอมผัวม ง, ง่ายๆได้ไงมึงมาอาศัยกูอยู่เนี่ยกูก็แย่อยู่แล้วว่ะ อูหาไม่พอกินอยู่แล้วมึงรู้เปล่าทพูพี่ฉันขออยู่ด้วยสักระยะหนึ่งอะอะไรที่ฉันพอช่วยได้ฉันก็จะช่วยนะในล้อมก็มองพากาน้องเมียนในตาเป็นมันทีเดียวเออให้มันอยู่เถอะนึกว่าอืมเห็นกันลูกที่มันยังเล็กอยู่เออก็ได้นางรัดดาก็จำใจให้น้องสาวอยู่มึงกางมุงนอนข้างครัวแล้วกันปะกาก็ยกมือไหว พกาตื่นในเช้ามืดถุงข้าวถุงปลาช่วยกูดมะพร้าวเอาไว้ผสมแป้งทอดกล้วยลูกของภกานี่ชื่อต้นเป็นผู้ชายเพิ่งจะคลานได้บ้านนางรัต ด, ดานี่เป็นบ้านที่ไม่ได้ยกพื้นสูงแค่เทปูนเท่านั้นน่ะเจ้าต้นก็จะคลานเล่นวันนั้นภกาเปิดเสื้อให้นมลูกอยู่ในล้อมก็เดินเข้าบ้านมาพอดีภกาก็รีบหันหลังหนี ในล้อมก็เข้ามาสวมกอดจากทางด้านหลังพะ ก, กาตกใจพี่ล้อมทำอะไรอะ่ะอืมเปล่ารักพี่แค่หยอกเอ็งเล่นน่ะทำแบบนี้ไม่ดีนะพี่ล้อมถ้าพี่รัดดาเห็นน่ยเดี๋ยวฉันคงไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยพะ ก, กาก็พูดด้วยสีหน้าเครียดก็เอ็งอย่าเอ็ดอึงไปสิพี่นะเอ็นดูเอ็งกับลูกนะพี่รีบไปช่วยพี่รัดดาเถอะเดี๋ยวฉันจะพับถุงต่อ ในล้อมก็เลยเดินออกไปยกเข่งกล้วยไปหน้าบ้านภการไม่สบายใจอย่างมากเลยที่พี่เขยทําแบบนี้ก็เลยแอบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนางนิดคนข้างบ้านนางนิดรู้ก็สงสารภการมากก็เลยบอกภการว่าลองไปถามบ้านเมียฝรั่งดูสิว่าเขารับคนทําความสะอาดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแก่เคยคุยที่ร้านกาแฟว่าจะหาคนไปช่วยซักผ้าทําความสะอาดบ้านอาทิตย์ละสีวัน เพื่อจะได้เงินไว้ติดตัวไว้บ้างพะ ก, กาก็ดีใจที่พอจะมีทางได้เงินจะได้เอาเงินช่วยพี่สาวบ้างเป็นค่าข้าวแต่ติดที่ว่าต้นในยังเล็กใครจะช่วยดูแลจะเอาไปด้วยก็คงทําอะไรไม่สะดวก่ะเขาคงไม่ยอมรับให้ทํางานแน่ๆนันงนิดเพื่อนบ้านก็เลยอาสาจะช่วยดูให้เองลองไปถามเขานะบ้านเขาอยู่ฝั่งโน่นะข้ามถนนใหญ่ไป ก็จะเห็นบ้านหลังใหญ่นะลองไปถามเขาดูผักาก็ไปบอกกับรัต ด, ดาพี่สาวบอกพี่ฉันจะลองไปของานบ้านเมียฝรั่งนะเพื่อจะได้เงินมาช่วยพี่บ้างแล้วโลกเมืง่ง่ะใครจะดูกูไม่เอาหนวย้ยเออพี่นิดข้างบ้านเนี่ยเขาจะช่วยดูให้จ้ะเดี๋ยวฉันจะข้ามไปถามเขาดูนะเออรีไปเลยจะได้มีไรายได้เสริมผักกาก็รีบข้ามถนนไป เสียงดังโครมปรากฏว่าพักกาถูกรถกระบะที่แซงรถสองแถวมาชนแล้วก็หนีไปชาวบ้านและนางรัดดาก็ตกใจรีบไปดูก็พบว่าพักกาตายแล้วตายขาที่เลยโต อ, อีผักกามึงทำไมโง่อย่างยิ้วะข้ามถนนภาษาอะไรวะให้รถชนตายสวยจริงๆเลยเงินทองยังไม่มีอยู่ด้วยไปยิ้มก็บอกว่าแหมอีรัดดานี่มันน้องมึงนะ ชาวบ้านบางคนนในหมายอยากจะตบนางรัต ด, ดาที่พูดกระศบน้องแบบนั้นงานศพของภ ก, กาก็มีชาวบ้านช่วยกันจนเสร็จงานรถที่ชนก็ยังจับไม่ได้พอเสร็จงานนางนิดเพื่อนบ้านก็เอาต้นมาให้นางรัดดาเอาวเอาหลานแกไปอุย้ยไม่เอารักฉันยกให้พี่นิดมึงจะบ้าหรือยิรัดดาลําพังลูกกูก็สี่คนแล้วผัวกูก็ถีบสามล้อทํางานแค่คนเดียว นี่กูก็อุตส่าห์ดูให้ตั้งห้าวันจนเผาศพเสร็จเนี่ยกูเอาไปเลี้ยงไม่ได้รอกทุกวันนี้ก็ไม่พอกินอยู่แล้วกูก็เพิ่งทำหมันมาลูกก็ยังตัวเล็กๆ เ, เอาหลานไปลูกมึงก็ไม่มีนี่นางนิดก็เอาเจ้าต้นวางไว้แล้วก็รีบกลับบ้านไปนางรัต ด, ดาก็ถามผัวจะเอาไงดีพี่จะเอาไงก็ต้องเลี้ยงมนันสิทำไงได้เออสวยจริงๆ เสียงของนังคู่นี่ดังเจ้าต้นก็ร้องจ้านังรัดดาก็เลยตีก้นไปสองสามทีอย่างอารมณ์เสียเจ้าต้นก็ยิ่งร้องเงียบไหนเด็กแปลดเสียงดานี่ชาวบ้านได้ยินกันหลายบ้านเจ้าต้นร้องจนหลับไปสองผัวเมียก็โยนหลานไปข้างที่นอนไม่สนใจก็พากันนอนหลับต้นตื่นมาก็ร้องใกล้สว่างคงจะหิวนมตอนอยู่กับนางนิดช่วงนั้นนังนิดก็ให้กินข้าวกินนม เหมือนลูกตัวเองจะอยู่กับนางรัดดานะี่ยังไม่ได้กินอะไรเช้ามืดทั้งสองผัวเมียก็ออกไปทอดกล้วยขายปล่อยให้เจ้าต้นร้องงองแงข้าวก็ไม่ป้อนประตูบ้านก็ไม่ปิดคงจะอยากให้เจ้าต้นคลานออกไปตายหรือไปให้พ้นจากชีวิตนั่นแหละเจ้าต้นก็คลานออกมาหน้าบ้านจริงๆใกล้ประตูนะ่ะมีอีเขียวหมาแม่ลูกอ่อนอ่มามันนอนให้นมลูกสามตัว เจ้าต้นคขานมาดูดนมหมาแม่ลูกก่อนอีเขียวมันก็ใจดีไม่แสดงอาการดุร้ายอ่ามันยอมให้เจ้าต้นนอนดูดนมมันจนเจ้าต้นหลับอีเขียวเนี่ยมันเป็นหมาจรจัดแต่ว่าเจ้าบ้านเขาก็เมตตาเอาข้าวให้มันกินจนอิ่มและมีคนเอาลูกมันที่เป็นตัวผู้ไปเลี้ยงสองตัวก็เลยเหลือลูกที่เป็นตัวเมียแค่สามตัว มีชาวบ้านผ่านมาเห็นเจ้าต้นนอนดูดนมหมาก็รีบมาบอกนางรัดดาว่าทำไมทิ้งหลานไว้แบบนั้นนางรัดดากับนายล้อมก็เฉยแล้วก็ทุกเช้าอีเขียวก็จะมาให้ต้นกินนมนางรัดดาขายของเสร็จถึงจับต้นไปอาบน้ำป้อนข้าวแบบไม่เต็มใจทั้งทุบทั้งตีไปพร้อมๆกันต้นกินข้าวได้ไม่กี่คำก็อ้วกเพราะถูกตีแล้วก็ร้องไห้พออ้วกก็ยิ่งถูกตีซ้ำ นั่งนิดรู้แล้วก็ได้ยินตลอดและความคิดที่เลวร้ายของนายล้อมก็บังเกิดนายล้อมเอาข้าวล่ออีเขียวให้เข้าบ้านคลุกข้าวกับหัวประทูพออีเขียวเข้าบ้านก็ให้นังรัตดาปิดประตูบ้านนังล้อมเอาลูกมันทั้งสามตัวไปปล่อยวัดในคืนนั้นแล้วขังอีเขียวแม่มันไว้ในห้องเก็บของให้อยู่กับเจ้าต้นและอีเขียวมก็ร้องหาลูกเจ้าต้นก็ร้องคลานตามอีเขียว เมื่อมันหาทางออกไม่ได้มันก็นอนให้เจ้าต้นกินนมต้นก็กินนมหมาอยู่หลายเดือนข้าวก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างผัวนางนิดนี่รู้เรื่องจากนางนิดก็คอยแอบดูตรงหลังบ้านข้างขวาที่กั้นโดยเศษไม้มันมีรูทำให้เห็นภาพต้นที่เสื้อผ้าไม่ได้ใส่ทั้งกลิ่นขี้หมาขี้เด็กทรงกลิ่นเหม็นคลุง้งผัวนางนิดก็เลยไปแจ้งความเจ้าหน้าที่มาดูถึงบ้าน เมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่มีความเมตตากับหลานก็ประสานงานให้ประชาสงเคราะห์เอาไปเลี้ยงในฐานะเด็กกำพร้าชาวบ้านก็ก่นด่านางรัต ด, ดากับนายล้อมทั้งคู่ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนทั้งคู่ต้องยอมสารภาพว่าให้หลานกินนมหมาจริงๆเพราะตัวไม่มีเวลาเลี้ยงดูถึงมันจะเป็นข้ออ้างแต่ทุกคนก็รู้ว่าทั้งคู่มีจิตใจที่เลวทราม ถ้าไม่มีหมาคอยให้นมก็ไม่รู้ว่าต้นจะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆท่านผู้ฟังตอนหลังนางรัต ด, ดากับนายล้อมเนี่ยโดนจับเพราะว่าไปขโมยปลาจากบ่อของชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งถูกเขาจับส่งตำรวจก็เลยสารภาพว่าเคยเป็นขโมยของของใครมาบ้างช่วงหลังไม่มีคนซื้อกล้วยทอดเพราะว่าเกลียดที่ทำกับต้นแบบนั้น ปัจจุบันนางรัต ด, ดากับนายล้อมนี่ย้ายไปจากหมู่บ้านนี้แล้วส่วนนางนิดเพื่อนบ้านตอนนี้อายุห้าสิบสามแล้วลูกๆ ก, ก็โตแล้วนางนิดไปรับจ้างทํางานบ้านเมียฝรั่งมาหลายปีแล้วนางนิดบอกว่าเจ้าต้นนะเรียนดีตอนนี้ได้ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นที่นางนิดรู้เรื่องก็เพราะมีตํารวจนายหนึ่งที่เป็นคนในหมู่บ้านเคยไปเยี่ยมแล้วก็ติดตามเรื่องของเด็กกินนมหมามาตลอดท่านเล่าให้ฟังว่า ต้นได้ดิบได้ดีเป็นหนุ่มใหญ่ท่านได้เจอต้นสามสี่ครั้งตอนนี้ตํารวจท่านที่ว่านิกเกษียณแล้วแต่ก็ยังนั่งดื่มกาแฟที่ร้านเป็นประจําคุยกับเจ้าบ้านแล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่บ่อยครั้งท่านบอกว่าเกิดเป็นคนนะ่ะควรจะมีความเมตตาปราณีกันบ้างท่านว่าอย่างนั้นครับ ในนบนี่เป็นคนเกลียดหมามากเคยถูกหมากัดตอนห้าขวบกลายเป็นความกลัวแล้วก็เกลียดหมาฝังใจเห็นแล้วก็จะหนีไปให้ไกลๆไม่อยากจะเข้าใกล้ข้างบ้านแกเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามมหาวิทยาลายัยอายุประมาณสักสีสิบกว่าๆในนบเรียกแกว่าอาจารย์ทองแกชื่อทองแดงมีเมียเป็นแม่ค้าขายส่งเสื้อผ้าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอนะ่ะบางทีกลับดึกๆึ แต่ก็มีแม่บ้านมาดูแลซึ่งทํางานแบบเช้าไปเย็นกลับไอ้เรื่องคนในบ้า น, นในนบไม่ได้สนใจหรอกแต่เกลียดไอ้เหลืองหมาตัวใหม่ที่น้องชายอาจารย์ทองไปเก็บมาจากใต้สะพานลอยแห่งหนึ่งอาจารย์ทองในชอบเลี้ยงหมาเอาไว้เห่หาหรือว่ากันขโมยให้มันกลัวพอหมาตัวเก่าตายแกก็สรรหาตัวใหม่มาในนบไม่ชอบอแต่ก็ทนเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันหมาตัวเก่าๆก่อนหน้านั้นไม่ได้ใส่ใจ เพราะว่าเวลาเจอหน้าในนบในนบถลึงตาใส่มันก็หลบแต่ไอตัวใหม่ที่มาเนี่ยไอเหลืองนี่หมานารกเนี่มันทําให้ในนบนี่จิตตกจริงๆมันเป็นหมาโรคจิตชอบเห่าดังดังหลายคนอาจจะตําหนิในนบว่าหมาเห่ามันก็ดีแล้วนี่ไปโกรธมันทําไมอนะในนบก็บอกว่าหมาเห่าน่นคือหมาปกติแต่ใช้ไอกับไอเหลืองนี่ไม่ได้เพราะมันเป็นหมาโรคจิตเห่าอยู่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เอามาเลี้ยงมันเห็น ในนบยืนหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆข้างรือว่ามันก็เห่าตลอดจนต้องเดินหนีไม่อย่างนั้นหัวหูเสียงมันแล้วพอในนบเดินหนีมันก็ไม่เหา่าอย่าให้เจอหน้าก็แล้วกันมันฮาวเราเป็นเจ้ากรรมในเวรแต่ชาติบางก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาติที่แล้วไปเอามีดปาดคอมันหรื อ, ร อ, อยังไงถึงได้ห่าแบบจองล้างจองผลานแบบนี้อ่าในนบประล้ำพึงอยู่ด้วยสักวันกูจะเลาะฟันมึงออกให้หมดปากเลย ในนบจะหาทางเล่นงานไอ้เหลืองให้หงายเงือบไปเลยอ่าแกไม่ชอบที่มันเห่าอย่างไร้เหตุผลหรือว่ามันเกลียดที่ในนบไม่หลอก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ในนบก็เกลียดหมาตัวนี้จับใจจะหาทางจัดการกับมันสักวันใดวันหนึ่งไม่ปล่อยให้มันปากเปราะห่าแบบนี้หรอกวันนั้นเพื่อนสนิทของในนบมาที่บ้านก็ดื่มกินกันตามประษาผู้ชายก่อนหน้านั้นในนบก็พาเพื่อนไปกินในห้องร้องเพลงที่บ้านทําไว้เพื่อ เฮนเตเทนลูกค้าเพื่อนรู้ก็มาขอใช้ห้องเพื่อนก็ยืนพิงเสารั้วแล้วก็สูบบุหรี่พ่นควันขโมงอย่างมีความสุขเอออากาศข้างนอกนี่ดีนะลมเย็นดีใช่กลางคืนที่นี่อากาศดีเร า, าชอบออกมานั่งชมจันทร์บ่อยๆโรแมนติกจังเลยเพื่อนเอ้ยอยางว่าคนไม่มีลูกมีเมียมก็นั่งมโนไปเรื่อย ในนบก็คุยกับเพื่อนอย่างมีความสุขแต่แล้วความสุขก็หายไปเมื่อไอ้เหลืองวิ่งหน้าตั้งมาใกล้ๆก็รู้วกั้นเขตบ้านมันเบรกจนหน้าแหลมๆเมื่อมันแทบจะทิ่มกับพื้นเสร็จแล้วมันก็มองในนบกับเพื่อนโดยสายตาไม่เป็นมิตรมาแหละไอ้หมานรกอ้าวทำไมนายไปเรียกมันอย่างงั้นน่ะมันก็น่ารักดีอะเพื่อนชมไอ้เหลืองว่าน่ารัก เขาคงไม่รู้ฤทธิ์ว่ามันเลวแค่ไหนเออเดี๋ยวนายคอยดูมันก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าไอหมาตัวนี้ไม่น่ารักแม้แต่นิดเดียวคอยดูนั่นไงมันอ้าปากหาวแล้วแล้วมันก็จะหาวแบบนี้ตลอดไปจนกว่าเราจะไปให้ผลหน้ามันในนพอมองหน้าไอเหลืองอย่างไม่ชอบใจแล้วก็ดื่มเหล้าดับอารมณ์ร้อนเพื่อนถอยห่างจากที่ยืนใกล้รั้วบ้านอาจารย์ทองแต่ไอเหลืองก็ยังหาวแบบเอาเป็นเอาตาย ในนกก็สงสัยว่าทําไมมันส่งเสียงหหยหวนอย่างนี้อาจารย์ทองไม่ตื่นขึ้นมาไล่มันปล่อยให้ไอ้หมาบ้าตัวนี้เห่ารบกวนชาวบ้านอยู่ได้แก่อยากจะต้มน้าร้อนแล้วสาดใส่มันสักโครมให้หนังหลุดมันจะได้เลิกเหา่าเสียทีโอ้รำคาญไอ้หมานรกตัวนี้จริงๆเลยช่างมันจะเพื่อนเอ้ยธรรมชาติของหมามันก็ต้องเห่าแบบนี้แหละเราอย่าไปสนใจมันเพื่อนไม่ใส่ใจเสียงไอ้เหลืองที่ยังส่งเสียงเห่าแบบเป็นบ้าเป็นหลัง ในนบก็เลยเอากลับแกล้มออกมานั่งกินล่อหน้าร่อตาไอ้เหลืองเลยไม่สนใจเสียงมันแต่ก็รำคาญจนนึกว่าบางทีไอ้เหลืองมันอาจจะอยากกินอะไรบางอย่างก็ได้ตอนนั้นมีหมูย่างก็เลยโยนให้มันชิ้นหนึ่งเป็นไปตามคาดหมายไอ้เหลืองกินหมูย่างเงียบเสียงไม่เห่าอีกเลยอ่าในนบก็คิดหาวิธีที่จะจัดการกับไอ้หมาปากเปราะตัวนี้ไม่ให้มันส่งเสียงอีกเลยคราวนี้แหละมันต้องหยุดเห่าแล้วก็หายไปจากตรงนี้ ไอ้เหลืองยังไม่เลิกหาวอีกในนบกระลำคาญมากและที่ทําให้แกคิดว่าจะต้องจัดการกับมันให้หมดสิ้นนั่นก็คือวันนั้นไอ้เหลืองวิ่งหลุดออกจากบ้านในนบขีม่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไอ้หมานารกน่ยมันกระโจนเข้าใส่แกตกใจถึงกับรถล้มแล้วก็ทับขาจนลุกไม่ขึ้นกว่าจะลุกขึ้นได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะแกเกลียดไอ้หมานารกตัวนี้มากคงจะต้องเอาให้ตายไปเลย อ, อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ชาตินี้มันกับเราคงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แน่แล้ว แล้วผู้ที่จะต้องไปก็คือไอ้เหลืองตัวเดียวเท่านั้นมันจะต้องตายสถานเดียวยาเบื่อคือตัวช่วยที่วิวเศษสุดแกจะต้องจัดการให้มันให้ราบคาบไอ้หมานรกกลับชาติมาเกิดฉันจะไม่ปล่อยให้แกลอยหน้าลอยตาส่งเสียงหึมห้ามแบบนี้อีกแน่แน่ในนกก็ไปซื้อยาเบื่อมาแล้วก็เตรียมหมูย่างมันคืออาหารพิเศษที่จะทำให้ไอ้เหลืองดาวดิน้นระหว่างนั้นแกก็ยืนล่อหน้าร่อตามันข้างรัว้ว ไอ้เหลืองตัวแสบเดินมาอย่างเร็วเลยจ้องหน้าในนบอย่างเอาเรื่องถูไอ้หมานรกทีนี้ไม่ได้ใส่ใจมาล็อกสู่บุหรี่แล้วพ่นใส่หน้ามันซะเลยได้เรื่องครับเหมือนกับเป็นการหยามมันมันก็ส่งเสียงห่าวราวกับบ้าหลังทีเดียวในนบไม่ได้ใส่สใจแต่อย่างใดทําทุกอย่างให้มันเหา่าแล้วก็ดูว่าคนที่บ้านนั้นอยู่ไหมเวลานั้นไม่มีใครในนบก็เอาอาหารสังหารนี่โยนให้ไอ้เหลืองมันเป็นหมาตากะกระ กระโดดตะครุบแล้วก็คาบไปกินใต้พุ่มไม้อ่าในนพก็มองดูผลงานรู้ว่ายังไงเซออีกไม่นานไอ้เหลืองจะต้องดาวดิ้นแน่ๆ แ, แล้วก็เป็นจริงสักพักไอ้เหลืองวิ่งไปหลังบ้านเสียงร้องโหยหวนแต่ว่าในนพไม่สนใจนั่งดื่มเบียร์อย่างสบายอารมณ์จบกันทีไอ้หมานรกปรากฏว่าไอ้เหลืองตายครับน้ำลายฟูมปากเลยอาจารย์ทองกับเมียก็สาปแช่งคนที่ทำให้มันตายให้มีอันเป็นไป ในนกก็ทําเป็นหูทวนลมแล้วก็เปิดเพลงอย่างมีความสุขจากนั้นไม่นานในนกก็คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งเธอเก่งเรื่องสมุนไพรสกัดน้ําสมุนไพราขายโดยเอาไปผสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสําอางโดยขายเป็นลิตรแพงมากเลยอ่าในนกไม่ต้องดูแลเธอหรอกผู้หญิงคนนี้เก่งอ่าแล้วคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าวันนั้นในนกกลับบ้านดึกเพราะดื่มกับเพื่อนแฟนคงจะหลับไปแล้ว ก็เปิดตู้เย็นจะหาอะไรห ว, นหวานๆดื่มเห็นน้ําสีส้มอยู่ในขวดกลมเอามาอ่านดูเขียนว่าน้ําผักผลไม้สกัดในนบก็ไม่รอช้าดื่มทันทีแล้วก็เกิดอาการแสบร้อนภายในคอลม้มลงดินแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวดหน้ามืดจะเป็นลมแต่มันทรมานมากแฝนออกมาดูเธอตกใจถามว่าเป็นอะไรอ่าในนบก็พูดไม่ออกนอกจากชี้ไปที่ขวดน้ําสกัดผลไม้สีส้มเธอบอกว่าเป็นสมุนไพรสกัดด้วยสารสามตัว เธอบอกว่ากินไม่ได้แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลล้างท้องเป็นการด่วนช่วงนั้นในนกทรมานมากเลยไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แต่จะทำยังไงได้ในเมื่อพลาดเองแกอาเจียนจนหน้ามืดแล้วก็ท้องเสียแล้วยังมีท่อยัดเข้าไปในลำคออีกแกคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตก็รู้ว่ามันเป็นกรรมที่ตามสนองอแกเอาอาหารเจือยาพิษให้ไอเหลืองกินจนมันตาย ตอนนี้แกก็อยู่ในสภาพเหมือนกระตายทั้งเป็นรักษาตัวนานกว่าจะหายเป็นปกติเมื่อหายแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ไอ้เหลืองครับแกว่าอย่างนั้น